คำว่าครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันหมายถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่สมัยปัจจุบันนี้มีแต่พระาวาดคำส่อ ง, งพระองค์เองก็ดับทรงดับขันตระลุผ่านตามเรื่องของทาตุขันซึ่งเป็นเรื่องของสมมติ มีความต่างกันอย่างหนึ่งความต่างกันอันดับสองก็คือครั้งพุทธการมีความมุ่งมั่นและถือการปฏิบัติธรรมเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายเป็นรากฐานอันสาคัญในวงพระศาสนาในวงของพุทธวิสัตนและพระภิกษุภิกษุณี ตลอดสามมันเองามาสมัยปัจจุบันนี้กากภาพปฏิบัติรู้สึกว่าเบาบางมากแทบจะว่าไม่มีซึ่งเกิดจากความไม่สนใจเป็นส่วนมากหรือการร่มการเรียนเป็นมกักเป็นผลไปเสียโดยไมไ่คำนึงว่านั่นเป็นเพียงความจำ คือการเรียนเพื่อความจําอันดับต่อไป จ, จึงเป็นภาคปฏิบัติเพื่อจะตักตวงเอามักเอาผลขึ้นมาอันนี้ถือว่าภาคปฏิปยัดคือการศึกษารเราเรียนนั้นเป็นมักเป็นผลเสียเลยในความรู้สึกเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนมาได้มากน้อยจึงมีความภาคภูมิใจโอ้อาจนลืมเนื้อลืมตัวทั้งทั้งที่กิเลสก็ไม่ได้หลุดลอยหรือถลอกปอกเปิเปือกไปแม้แต่นิดนอกจากกิเลสพองตัวขึ้นมา เพราะความจําได้นั้นเท่านั้นนั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้หากการศึกษารเรียนเพื่อการปฏิบัติมีอยู่ดังสมัยพุทธกาลแล้วการตักตวงอมักผลนิพานก็ต้องมีอยู่เช่นเดียวกันอาจจะต่างกันดูบ้างก็คือผู้เชี่ยวชาญ ต่อการแนะนําสั่งสอนนั้นจะอาจจะมีมากน้อยต่างกันเมื่อมีมีมีน้อยต่างกันเช่นนี้การศึกษาทางภาคปฏิบัติย่อก็ไม่สะดวกเหมือนมีครูมีอาจารย์คอยแนะนําสักเถื่อนสั่งสอนด้วยความเพี่ยวชาญจะเหลยวฉลาดโดยที่เดิผ่านมาแล้วทั้งฝ่ายมักและฝ่ายผลดังครั้งพุ้จการท่านดําเนิน มีความต่างกันมีตัวนี้ส่วนศาสนธรรมนั้นคงเส้นคงวาสภาพทั้งหลายที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่สอนไว้ประกาศเอาไว้นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอที่จะมาแก้ไขดต่แปลงให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาเช่นบางที่ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีเนี่ยพูดย่นยนเข้ามาก็อิเลสและธรรมมีอยู่ภายในใจเป็นสิ่งที่มีมาตั้งเดิมมีอยู่แล้วเช่นเดียวกันหมด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 อื่นเสียมากกว่ามากที่จะมาคิดให้เป็นผลเป็นประโยชน์ตามหลักความจริงแห่งศาสนธรรมเราพูดอย่างนี้พูดในวงชาวพูดเรามาได้พูดถึงคนที่ไม่เคยสนใจต่อพุทธศาสนาเลยเลยพูดในวงชาวพูดซึ่งมักจะทุ่มเทจิตใจไปทางอื่นเสียมากนี่แหละความรู้สึกของใจมันต่างกันเช่นนี้กับข้ามพุทธการผลจะควรได้รับจึงมีความแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวหากมีผู้สนใจ ฝ่ายอัดฝ่ายรมด้วยภาพปฏิบัติสมเช่นเดียวกับทางภาคปริยัติด้วยแล้วผลแต่สืบต่อกันมาโดยลำดับสำดาบไม่ขาดว่าขาดตอนตั้งแต่ครั้งพุตรการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะสืบต่อไปเรื่อยๆเพราะทำทั้งสามอย่างนี้เกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกคือปริญัติในกการศึกษาชำเนียศึกษานนเนยวเรียนด้วยความสนใจ อยากรู้อยากเห็นจริงๆแล้วไฝ่ต่อการปฏิบัติจากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติดังที่พระอุปชาท่านสอนให้ทุกๆองค์ในขณะที่บวชจะบวชเป็นเนงก็ตามบวชเป็นพระก็ตามนั่นคือภาคปริยัติอยู่แล้วอันละ่ะพื้นเพแห่งปริยัติคืออะไรก็คือกรรมาฐานห้าที่อุปชามอบให้นั่นแหละ นั่นคือพื้นเพยแห่งปริยัติที่อุปชามอบให้คุณบุตรผู้บวชใหม่เจสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจนี่เรียกว่าอนุโลมพิจิรให้พิจารณาอนุโลมอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นท่านสอนนดันตาหน้าขาโลมาเจสานี่คือปฏิโลมคือให้กำหนดพิจรารณา ไค่ครวนสิ่งเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังท่านเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรมีอยู่ภายในกายของเรารอบตัวหรือเต็มตัวมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้ง น, นั้นไม่มีอย่างอื่นเต็มอยู่นี่เพราะมันเกี่ยวโยงกันจริงรกว่าไม่มีอย่างอื่นมีแต่สิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกนันเต็มหมดในร่างกายของเราอตโจนข้อไปแล้ว มีมีท่านเรียกว่าภาคพื้นปริยัติที่วิชามอบให้เป็นเรื่องสําคัญมากอุปชาแต่และองค์องค์ที่จะได้มาบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต้องเป็นผู้สําเนียกศึกษาสนใจในกรรมฐานทั้งห้านี้เป็นอย่างน้อยทุกทุกองจึงต้องบวชกุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้และสอนไปตามแนวนี้นี่คือภาคปริยัต เราจะเข้าใจว่าไม่เรียนหนระือเรียนแล้วเนี่ยขัง้งพุทธการท่านเรียนอย่างนี้เรียนจากอุชาแล้วก็เรียนจากปูจากอาจารย์ขแขนงต่างๆวิธีอธิบัติพอเสร็จแล้วก็ลุคมูลเชสนาสนังนั่นบางที่ท่านบอกเนะี่ยอุปชาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้นลุคมูลเชสนาสนังมิทราบประประชาติเปยยาวชิวังอุซ่าหู้การนายโยนี่ คืถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดาธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมประเพียว่ามันประชาชนหมดแล้วพึงอยู่ยตามนุกขมมลลำไม้ต่อไปนั้นกระชายป่ากระจายเขาตามถ้ำเงมืองผาพึงทำความรู้สาพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่แต่ผู้ที่สอน เพื่อความเอาจริงเอาจังโดยเห็นว่ากิเลสเป็นฆาสึกเป็นภัยจริงๆต่อจิตใจของสัตว์โลกแล้วจะมาสอนแบบอ่อนุภาพอ่อนโยนให้กิเลสมันหัวเราะได้อย่างไรก็ต้องสอนลงแบบจริงแบบจังทีเดียวที่ตรงไหนกิเลสจะสะเทือนหัวใจกิเลสจะถลอกปอกเปิกจะเดือดร้อนวุ่นวายและสัมาระสายจนถึงแตกบ้านแตกเมืองออกจากจิตใจต้องเน้นหนัก สาธาอาวุธคือพระโอวาทคำสั่สอนลงที่ตรงนั้นถ้าเป็นอุปชาก็โอคําโอวาทคำสั่งสอนตีลงที่ตรงนั้ น, น, นตรงนั้ น, น, นให้ถึงใจคุณบุตรสุดท้ายภายหลังผู้มาบวชกับอุปบาขนั้นว่าโน่นน่ะป่าเห็นไหมที่นั่นนะที่กิเลสกลัวตลาดเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองนั่นเป็นที่สังสมของกิเลสนะน ะ, นะมันแก้กันเข้ามาพลิกกันเข้ามาอย่างนี้หลักธรรมกับหลักกับกิเลสมั น, ม, นมันอยู่คนละเปียว มันติดพันกันอยู่นั้นน่ะอยู่ในจิตดวงเดียวอยู่คนหนาา้าฉากเพราะนั้นการแช่จึงต้องให้เน้นให้หนักการสอนต้องเน้นหนักไม่เน้นหนักผู้ฟังผู้จะรู้สึกมีความรู้สึกเน้นหนักยึดถึงใจได้อย่างไรแล้วผู้สอนต้องเป็นผู้เข้าใจนั่นเป็นอันดับแรกทีเดียวเข้าใจเรื่องเกษารุมานะคาตันตาตะโจเข้าใจเรื่องกรรมฐานได้เป็นอย่างดี ออย่างทัง้งพุทธการท่านเป็นอุปชามีแต่พาระอรหันต์ทั้งนั้นเป็นอุปชานั่นขนาดพาระาอารหันต์เป็นอุปชาทําไมจะไม่เด็ดไม่เดียวทําไมจะไม่เน้นหนักถึงจุดอันสําคัญสําคัญของกิเลสแต่ละตัวละตัวมันซุ่มซ่อนมันหลบซ่อนหาจินอยู่ในที่ตรงไหนบ้างท่านต้องทราบหมดแล้ววิธีตีต้อนกิเลสห้ากิเลสท่านก็ทราบหมดเพราะฉะนั้นการแสดงออกแต่ละบทละบาทของท่านผู้สิ้นกิเลสอาชวะ หรือท่านฆ่ากิเลสทายหมดเรียบร้อยแล้วภายในใจนั้นจึงเน้นหนักหรือจึงกระจ่างแจ้งจึงแตกฉานมากทีเดียวผิดกับคนทั้งหลายเป็นอันมากสอนลุคโมโรเซนาสนังก็ชี้บอกนู่นป่านนู่นเขานั่นแหละกิเลสจะทังทลายลงไปที่จุด น, นั้ น, นแ่ะตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมตรงไหนที่ไม่น่าหวาดน่ากลัวกิเลสก็ไม่กลัวตรงไหนไม่ล่อแหลมกิเลสก็ไม่ล่อแหลมนั่น ตรงไหนไม่น่ากลัวกิเลสไม่น่ากลัวตรงไหนไม่กลัวตายกิเลสก็ไม่กลัวตายตรงไหนที่เรากลัวตายนั่นแหละกิเลสมันก็กลัวตายเหมือนกันตรงไหนที่เราออยากขาดแคลนกิเลสจะออยากขาดแคลนตรงไหนที่เราว่าจะตายแล้วกลัวตายมิเราจะตายนั่นแหละกิเลสจะตายที่ตรงนั้นนั่นมันย่ำกันลงอย่างนั้นธรรมะกาสอนพระเจ้าย่ำลงย่ำลงเพราะเหตุได้จึงย่ำลงผู้ที่ท่านมาสอนอย่างนั้นท่านเข้าใจหมดแล้วคือเข้าใจตามวิธีที่ว่านั้นทั้งนั้น ถ้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่เห็นกําลังของตัวเองไม่เห็นกําลังของของความกลัวซะก่อนจะไม่เห็นกําลังของความกล้าที่เกิดขึ้นภายในจิตใจไม่เห็นกําลังของกิเลสต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมแล้วจะไม่เห็นกําลังของธรรมแล้วจะไม่เห็นความแพ้ความชนะการเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาให้เน้นให้หนักการสอนเขาอยู่ในป่าในเขาก็สอนนั่นน่ะนั่นน่ะนั้นน่ะขี้เข้าไปขี้เข้าไปนั่นแหละเป็นสถานที่กิเลสจะเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสจะสะสาระสายกิเลสจะแตกแม่แตกลูกแตกบ้านแตกเมือง สาแรกมันภพชาติขาดจากจิตใจของเราจะขาดที่ตรงนั้นแหละที่กงที่เรารกลัวกลัวเรากลัวตายเรากลัวอนอยากขัดแทนอนั้นและตรงนั้นะที่เลียดกลัวเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเป็นความสุขความสบายนั่นคือความสุขความสบายของกิเลสไม่ใช่ความสุขความสบายของเรามันเอาเราเป็นฉากเฉยด้วยเหตุ น, นี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องมีความกระทกบกระเทือนเช่นเดียวกับ เราก็กระทบกระเทือนในร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับเขาขึ้นต่อกรหรือต่อยกันบนเวทีเขาไม่ต่อยเวทีนั่งมวยเขาต่อยกันต่างหากแต่เวทีก็พ้นความกระทบกระเทือนไปไม่ได้ต้องกระทบกระเทือนนี่ก็ร่างกายจิตใจมันเป็นเวทีของระหว่างที่เลืสกับทําต่อสู้กันจึงต้องมีความกระทบกระเทือนเ้าวกระทบกระเทือนไปเถอะถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วให้ได้เห็นเรื่องเห็นราว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 แต่วอัตตอิจฉโนาถวให้ช่วยช่วยตัวเองตัวเตัวนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวท่านว่าอย่างนี้เวลาคิดปหาแต่เรื่องที่พึ่งคนอื่นถ้าไม่พึ่งคนอื่นมันจะได้เหรือมันคิดไปอย่างนั้นเสียทั้งๆที่นิสัยของสัตว์โลกมันก็พึ่งคนอื่นอยู่แล้วไม่ได้หวังพึ่งตัวเองควรที่จะมาพึ่งตัวเองดังที่คุยจ้าสอนสัมั่งให้ได้เห็นเหตุเห็นผลนีมันไม่คิดแต่พอเข้าทางจนตอบจนมุมแล้วมันเป็นไปได้ นี่เรพูดถึงเรื่องภาคปริญัติท่านสอนอย่างนั้นพอสอนเรื่องเอสาลุมานะขาตานตาตะโจ ก, ก ร, รมมะฐานที่ตั้งแห่งงานเมื่อแกรออกแล้วเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานงานอะไรงานเพื่อตัดพบตัดฉาติงานไอวิเศษวิสโสหรืองานกองทุกข์ทั้งหลายระหว่างที่เหล็กกับธรรมหรือกับจิต่ต่อสู้กันนี่จะทุกข์ที่สุดก็คืองานอันนี้แล้วลื้อภพรื้อชาติให้พ้นให้ขาดสะบ้านจากจิตใจถึงบรมมาสุข ได้ก็ก็คืองานอันนี้อันนั้นถึงว่าว่ากรรมฐานกรรมาฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานงานของพระงานของผู้ที่จะล้อตนออกจากวัตาตรงสารจะไม่ต้องมาเวียนบ้าตายเกิดในภพในชาติดังสัตว์ทั้งหลายที่เกินอยู่ในสามโลกธาตุนี้อีกต่อไปจึงควรเข้มข้นในเรื่องความภาคความเพียรความอดควา ม, วามอดความทนควรอดทนทนเพราะทุกข์กั กับพ่อกิเลสอําพ่ออำนาจของกิเลสก็เคยทุกมาแล้วสุขพราะอํานาจของกิเลสก็เคยสุขมาแล้วเป็นยังไงได้รับความวิเศษที่โศย่างไรบ้างแล้วทุกพ่ออำนาจแห่งการต่อสู้กิเลสก็ให้เห็นบ้างสิแลเวลาได้รับความสุขความสบายพ่ออำนาจแห่งธรรมก็ให้รู้ให้เห็นภายในจิตใจของเรานี่นี่เมื่อได้เรียนกรรมฐานนี้แห้ะออกเอานุคมโรเซนาสนังสถานใดที่เป็นป่าเป็นเขาลําเนาภัยที่เปรียวที่เป็นที่สงัดหอบเงียบไม่มีอะไรยุ่ง ควนใจให้เข้าสู่สถานที่นั้นเอาทําเป็นธรรมมาวุฒิเกษารมานาถาทันตาตะโจนี้เป็นเครื่องศาสาธาวุฒิที่ต่อสู้กับพิ่เหลืาสนาคือพิจนาในนี้เป็นไขสมองและภูมิะเกษาเป็นยังไงโลมานาถาทันตาตะโจเป็นยังไงอยู่ในตัวของเราที่นี่จิตขูดค้นลงไปที่ตรงนั้นพิจนาลงไปที่ตรงนั้นด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันจิตเมื่อไม่มีที่ทไปที่มา ถูบังคับบัญชาอยู่เสมอด้วยความจนตก่อกันมุมแล้วย่อมทํางานให้เมื่อไปทํางานแล้วความจริงมันเป็นยังไงจะไม่ทราบความจริงไงปัญญาต้องอย่างเข้าหาความจริงเมื่ออย่างเข้าหาความจริงต้องรู้ความจริงเมือรู้ความจริงแล้วทําไมจะไม่อ่านฐานจิตใจของเราอย่งดังตั้งภาคปริยัตเราเรียนมาเรียนมาจําได้หมายรู้ตามบทตามบาัตรอัฐบาลีนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะความจําได้นั้นไม่ได้มีความอา่านหานใดเลยหากจาได้หากไม่อ่านฐานทำให้คล่องตัว ถึงแปรก็ไม่คล่องตัวรู้ก็ไม่คล่องตัวพระเพียงจําได้แต่พอมาปฏิบัติได้เข้าอกเข้าใจขันวะเจสาโรมานขาตันตาตโยเป็นต้นมันเห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันอาจฐานยา마จาจะอาการห้านี่เลยหมดอาการสัมสองมันก็อาจฐานเพราะสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกเข้าไปจนแตกกระจัดกระจายหมดไม่มีอะไรเหลือภายในขันห้านี่เลย ยิ่ที่ขึ้นถือว่าปัญญาได้อย่างลงไปแล้วที่ตรงไหนต้องแตกรกระจายกระจายไปด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุไปหนั่นทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี้ยทำไมจะไม่อาจหานร่างกายมันเป็นยังไงเราพิจารณามารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงด้วยปัญญาชัดเจนไม่ต้องไปถามใครเลยมันทราบด้วยปัญญาของตัวเองเอะนั่นจากนี้เราจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาไอาเวทนานี่สาคัญมากนะอืม ลู่ประคันก็สําคัญอย่างหนึ่งแต่เวลาจนเกาะกิ่งงูจริงมันมนัาจะเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นของสําคัญเมื่อทุกมากมากแล้วนั่นแหะปัญญามันก้าวเดินถ้าผู้มีใจกล้าหารจริงๆแล้วจะหินอ่ะทุกขเวทนาจะเป็นหินลับปัญญาได้เป็นอย่างดีทีเดียว <c oughs> ขุดค้นลงไปที่ทุกขเวทนาอ้าทุกมันเกิดที่ตรงไหนสมมุติว่าทุกเกิดที่ที่ขาหรือที่เขา่า มากกว่าเพื่อนที่สุดเอากําหนดลงไปที่เขามีอะไร่ะมีหนังหุ้มเนี่ยกําหนดดูหนังไปยังไงหนังเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าหนังเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปทําไมาหนังยังมีอยู่นี่ปัญญามันเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปหรือเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์ย้อนหน้าย้อนหลังว่าอะไรเป็นทุกข์จิตเจาะลงไปตรงนั้นปัญญาย่างลงไปตรงนั้นจนหะจนเห็นความจริงไม่เห็นความจริงย้อนหลังกลับมาดูจิตย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมา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 เวทนาคือความทุกข์มันก็เป็นสักเวทนาอยู่เท่านั้นไม่เป็นอันอื่นอันใดเลยไม่มีความหมายตัวเองอาการเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองและไม่มีความหมายในในจิตเมแต่จิตไปให้ความหมายเขาจิตก็คือตัวหลงไปสําคัญมั่นหมายมันออกจากอะไรมันจึงไปหลงก็ตัวอวิชชาตั้งแต่แต่เรายังไม่กล่าวมันไปสําคัญมันนั้นเป็นทุกข์นี่เปนทุกข์แล้วก็ปั้นเอาสิ่งนั้นเข้ามาเผาตัวเองแต่นี้พอมันเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้ว อาการเป็นอาการเป็นตัวเองเป็นของตัวเองของอืเป็นความจริงของตัวแต่ละอย่างมาอย่างเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นความจริงของแต่ของตัวเท่านั้นจิตก็มาย้อนรู้ตัวเองแต่จิตก็จักแต่ว่าจิตเมื่ออาการไม่หลอกแล้วก็ไม่มีอะไรมาหลอกตัวเองจิตก็เป็นของจริงอันหนึ่งเวทนาเป็นของจริงอันหนึ่งกายส่วนต่างๆเป็นของจริงอันหนึ่งต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วนั่นแหละที่นี่ไม่กระทบกันเลย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 คือความจริงที่เกิดจากการพิจารณาเมื่อได้รู้ได้เห็นชัดเจนถึงขนาดนี้เปิดความกล้าหาญชานไถ่ท่านในจิตใจเพราะได้รู้ได้เห็นอ๋อการพิจารณารู้ขันรู้ทุกเวทนารู้อย่างนี้เหลือก็ไม่ต้องถามไถ่อาจหารชาญไถยมากทีเดียวแล้วรู้ไปจนกระทั่งถึงอนาคตถึงขันจะแตกอย่าว่าแต่ทุกในปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้เลยแม้จะทุกในเวลาตายเจ้าเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะนัก มราต้องเป็นเวทนาหน้าเก่าที่เคยเป็นอยู่บัดนี้แล้วในบัดนี้เราได้ทราบชัดหมดแล้วเรื่องเวทนาจะเป็นยังไงยังไงเราทราบชัดหมดแล้วเป็นทั้งหน้าก็คือทุกคั้งอดีตธิษจังอันเดียวกันแล้วเราตื่นมาที่ไหนในปัจจุบันนี้ไม่ตื่นอนาคตจะเป็นอะไรเท่ากับเป็นอยู่ในขันอันนี้นะอนาคตก็ไม่ตื่นนะเมื่อทราบชัดแล้วเกิดความกล้าหาญนี่แหละ ย, าาย่อนพิจารณาแยกออกไปจกนกระทั่งถึงไม่มีอะไรตายเลยเมื่อมันถึงรู้ได้ชัดแล้วตายอะไร ส่วนรูมนี้เป็นเป็นเรื่องของธาตุธาตุดินส่วนแข็งนี่หนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นส่วนธาตุดินแต่กระจายไปแล้วก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของตนน้ําก็ลงไปเป็นน้ําตามเดิมลมเป็นลมไฟเป็นไฟตามเดิมอะไรตายไม่เห็นมีตายไฟตายไปไหนที่หายไปไหนดินที่หายไปไหนนลมที่หายไปไหนมีอยู่ตามสภาพของตนกีบผู้ดูรู้ผู้กลัวตานี้มันมันที่หายไปไหน เมื่อพิจารณาชาัดกับอะไรจิตยิ่งเด่นยิ่งเด่นนะมันตายได้ยังไงธรรมชาติอันนี้มันก็รู้ได้ชัดว่าจิตนี้ไม่ตายนี่เพียงเท่านี้ก็จิตก็รู้แล้วว่าจิตไม่ตายเรายังด่วนพูดถึงขังน้นมิมุติหลุดพ้นเลยเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็ทราบจิตได้อย่างเด่นดวงว่าจิตก็ไม่ตายหายความกลัวมันกลัวมันกลัวอะไรเมื่อจิตก็ไม่ตายแล้วกลัวเลยมันกลัวบ้ามันจะเฉยโอยหลอกกันทั้งๆั ท, ง ท, งที่ใครต้องมีจิตนาหลอกแต่หลอกเพื่อความหลงน่ะพาให้เป็นไปเช่นนั้น คิดได้อย่างชาบเชืหนุนหนึ่งนี้เท่านั้นคราวหลังเกิดความกล้าหาญใจถึงจิตจะไม่ได้รวมลงประคณานนั้นไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงขนาดนั่นก็ตามจิตจะไม่มีความจะทบสะท้านบั่นไหวเลยและจะไม่สงสัยในความจริงที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั้นมีเป็นบทเป็นบาตเป็นทางเดินอันราบลื้นดีงามของผู้ที่เคยได้รู้ได้เห็นแล้วและเป็นต้นทุนอันสาคัญในการพิจารณานี่แหละเกิดความกล้าหาญใจไทยมากที่เดียวผู้ได้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วไม่หวัน่นแม้แต่ทุกเวทนาจะครอบจน ถึงเวลาเจ็บไายได้ป่วยถึงจะตายก็ตามจะไม่มีประสทกสะท้ทานหมั่นไห่เลยเพียงมีที่เลสอยู่ก็ตามเถอะความจริงของจิตมีอยู่เป็นตัวเองเป็นตัวของตัวไม่ได้ประทกสะทานไม่ได้ไปอาจไปเอื้อมหรือไปพึ่งพิงกันนั้นพิงร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มันไม่ได้พึ่งนี่ถอยเข้ามาอยู่ในตัวของตัวเองด้วยความรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายแล้วอยู่อยู่ถึงจะแตกก็แตกสภาพใด ไ, ไม่ทนเอาแตกไปสภาพที่ทนอยู่นั่นให้รู้ในชัดเจอย่างนั้นที่น่กปฏิบัติ ทำบุญเจ้าท่านสอนจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆจึงมาสอนโลกไม่ใช่มาสอนแบบหลอกลวงเห็นแล้วปฏิบัติมีแต่เรื่องแบบหลอกตัวเองเดินจงกรมหยอกหอกก็หลอกตัวเองกลัวจะมากตายนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกตัวเองทำความภาคของเบียดมีแต่หลอกตัวเองให้กิเลสมันหลอกนั้นเลยไม่ได้ทำของจริงมีแต่เรื่องหลอกเรื่องหลอกเรื่องหลอกมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรกันพิสปฏิบัติต้องการมันจริงมันจังใช่นี่แหละท่านบอกภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ ปฏิเวทะคืออะไรคือความรู้แจ้งรู้แจ้งไปโดยลํล า, ล า, าดักลาดาดังที่กล่าวมานี้ก็คือความรู้แจ้งเป็นประเภทประเภทจนกระทั่งถึงความรู้แจ้งแทงทะลุหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างขล า, าอวิชชาปรญญาวิญญาณอวิชชาปรญญาจงกระทั่งถึงสิ่งสุดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาอ ว, ว, วิชชาปฏิเวทวัเสสเวลาการนิโรธสร้างขลังนิโรดับดับดับดับไปนั่นยิ่งสุดยอดเลยออจะตายก็ตามจะเป็นอยู่ก็ตามจะไม่มีความไปพุกข์ะทานจะไม่มีความกลัวตายไม่มีความกลาา้าหาญ ความกล้าก็หมดความกลัวก็หมดเพราะเป็นเรื่องสมมุติด้วยกันมันตอบรับกันในระหว่างสมมุติเฉยเมยเมื่อจิตได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ขั้นเป็นตัวงตัวเดิมอย่างเต็มที่สมบูรณ์โดยที่สมมุติทั้งหลายมีขันเป็นต้นเข้าเกี่ยวข้องมาได้แล้วกลัวอะไรกล้าอะไรฮความกลัวก็เป็นสภาพหนึ่งความกล้าก็เป็นสภาพหนึ่งในขณะที่ดําเนินปฏิบัติานั้นความกลัวความกล้าต้องต้องพัดต้องเหวี่ยมกันไปมันเป็นคู่แข่งกันเหมือนกัำนัลมวยที่ต่อยกันอยู่แล้วต้องหวังมีแพ้มีชนะกันอยู่โดยดี มีการต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมก็ต้องมีการการแพ้การชนะแล้วมีการกล้าหาญชานันชัยเรื่อการกลัวกันเป็นธรรมดาแต่เมื่อติดถึงขั้นหลุดพ้นหลึกได้เต็มใช้ ช, ชนะเต็มที่แล้วกล้าก็ไม่มีกลัวก็ ม, มีเอาเป็นก็อยู่เอาตายก็ตายไปที่อะไรตายก็รู้หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะสะท้อนในหลักธรรมชาติของกิจอันนั้นัน่นให้พิจารณาให้มันถึงดูซิเรื่องเหล่านี้นะ่ะไม่ตายไม่ก็รู้นะเราอย่าไปคอยเอาเวลาตายนะ นี่สอนกันทั้งๆ้งที่รู้ให้รู้ทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่น่ะอืการปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งทั้ที่มีชีวิตอยู่นี่ให้มันรู้ในทั้งทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แล้วจะเป็นยังไงระหว่างขันกับจิตเป็นยังไงที่นี่เมื่อถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆในหลักธรรมชาติัองตนแล้วมันจะไม่มีอะไรแล้วพูดนี่แล้วพูดด้วยความเต็มอกเต็มใจพูดเพื่อให้หมู่ให้เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นว่านี่หน้านี่หน้ามรรคผลนิพพาน ไม่ได้อยู่ที่ไหนไหนเนี่ยอยู่ในวงเศรษฐธรรมทั้งสี่ศรษฐธรรมทั้งสี่คืออะไรทุกชุมไทยดมากอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกับจิตอยู่ที่ขันห้าธรรมชาติที่รู้ๆนี่ก็อยู่ในทรากลางแห่งขันห้านี่แหละให้มันรู้ชัดตายิ่งเหล่านี้แล้วจะหายสงสัยไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าองค์ไหนที่ว่ามาตรสลุตรสลุเราจะหายสงสัยไปหมดว่านิพานนิพานไปไหนถ้าลงได้ธรรมชาติเอาความมือสุดตลอดถึงการคุยปฏิบัติของตนมาโดยลําดับลำดัทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์กันเต็มที่แล้ว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 นี่แหะทางพุทธการก็ตามทางไหนก็ตามขอให้ดำเนินตามหลักสายธ ร, รรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี่เถอะพิจารณาลงในธาตุในขันธ์ในสัจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่ให้ชื่อไว้ว่าธาตุว่าสัจธรรมอ ร, ริยสัจสี่สติปัฏฐานสี่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่จิตของเราเนี่ยคลอบอยู่นี้แบกกันไปมาอยู่นี่แต่มีแต่เรื่องแ บ, บกกับกิเลสไปด้วยนี่ไม่ได้แบกธรรมคือรติปัญญารู้แย่งกันทะลุในตัวมันสําคัญมันยังไม่ค่อยรู้ก็นเรื่องราวอะไรอะไร ท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันมีความสนใจสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วผลทั้งทำทั้งสามนี้จะเกี่ยวโยงกันไปไม่ว่าสมัยใดปริยัติคือการศึกษาเพื่อเข้าอกเข้าใจในแนวทางที่จะถอดถอนกองทุกขอ์กขออกจากใจคือกิเลสที่เป็นเชื้อที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันรู้วิธีการแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติ ด, ดำเนินงานด้วยความสนใจเช่นเดียวกัน เห็นได้จะไม่รู้ไม่เห็นทาไม่ได้ปิดบังต่อผู้ใดเลยมีตลอดเวลาอากาศดีโปรมันฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของเขาอยู่มาเคยมาชิมชาหน้าด้านหรืออะไรกับกองทุกความตุกผิวผิวอของกิเลส ม, มันฉาบทาไว้หนี่งความตุกอันหายกังวลวุ่นวายทั้งหลายหายห่วงที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนอยู่ตลอดเวลาทาไมไม่สนใจให้มันถึงใจบ้างสินักปฏิบัติ ถึงจะไมีมความเบื่อหน่ายอินพอก็คือเรื่องของกิเลสมันติดมันทันอยู่ทั่วโลกดินแดนนี้ใครประเสริฐในโลกนี้มีไหมเราก็มาเทียบบ้างสิยกแต่ตัวเราออไปหาสู่แดนโลกธาตุมีใครที่เศษจะมากกว่ากัน ต, นตรงไหนตรงไหนมีที่ไหนอันส่วนให้ชื่อให้นามและยศถาบรรดาศักดิ์คือสิงขานบริวารทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นให้ไปตามธรรมชาติธรรมชาตินั้นบางคนนั้นจะมีสุกคนนี้นจะมีสุกเพราะมีมยศถาบรรด า, าักด์เพราะมี เงินทองก็ของบริษัตบริวารก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติของกิตแล้วถ้าไปถูกกิเลสบีบไปแล้วยาเข้าใจมันจะมีถูกเลยนี่คือหลักธรรมชาติแท้นี่แก้ไม่ตกตรงนี้ถ้าไม่แก้มันออกจากแล้วแก้ทุกข์ไม่ตกจะต้องบีบคั้นอยู่นั่นแหะอย่างน้อยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นไฟเผาที่แกรบเห็นไหมมันเผาอยู่ภายในจิตใจกิริยามายาแสดงมาเป็นอย่างหนึ่งมันไม่ได้เหมือนกันนะกิเลสมันมีกุลมายาหลายด้านหลายทางเหมือนผัดมันสูงอยู่ภายในจิตใจเหมือนไฟไม่แตกกองแตกนั่นเป็นอย่างหนึ่ง อันนี้เป็นด้วยกันทุกคนไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะเป็นเหมือนกันหมดอย่าเอาเรียนถ้ามันถึงถ้าอยากจะทราบพอได้พังอันนี้ออกแล้วจะอยู่ยังไงมันเป็นก็ ก, ก็อีกโกงข้ามจริงจริอยู่ยังไงมันก็คือความหมดเชื้อความหมดห่วงหมดใจความเป็นมโลมมสุขความหายห่วงหายกังวลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงในสามเดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นที่ยื่อใหญ่เลยก็คือกิจที่ดวงที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วนั้นเท่านั้นนั่นแหละผู้ชมความสุขคือผู้นั้น ไม่ใช่ผูท้ที่ที่กล่าวมาเหล่านั้นาจึงไม่เห็นว่าสิ่ง น, นั้นเป็นของพระเสด็จสิ่งพระเสด็จคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเห่านดังพุทธังสนังฉามิเรากล่าวบ้าทุกวันทํามังก็คือทํามันพระเสด็จสางคังสนังฉามนินี่พระเสด็จจริงสมชื่อสมนามที่เรากล่าวอ้างว่าพระเสด็จจริงของนั้นก็เป็นธรรมดาไม่ว่าท่านมาเราในโลกสมมติก็ต้องตั้งการเราไม่ได้ตำหนิตอนนี้แต่เราเทียบเอาหลักความจริงเข้ามาพูดกันต่างหากแล้วในลบล้าง สิ่งที่กล่าวมาเหล่านั้นมันมีมาดั้งเดิมจะทำยังไงโลกสมมติมีก็ต้องมีลิมิต ม, มีสิ่งเหล่า น, นี้แต่เราอย่าหลงถ้าเป็นนักปฏิบัติเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสของมัตตวนของสมมุติทั้งหลายที่มันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นให้เรารู้ทางออกทางเข้ารู้ทางแก้ทางปลดเครื่องตนเองมันจะได้พ้นไถ่ถ้าไม่รู้เราไม่พ้นยังไงก็จมอย่นี้จนได้นั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายเราไม่ต้องสงสัยในตัวของเราเอาตัวของเรานี้เป็นเครื่องประกันเลยทีเดียวไม่ว่าดวงวิญญาณใด ไม่มีว่างจากความเกิดตายเป็นอย่างนี้ทุกดวงวิญญาณถ้าอวิชชาปยาสร้างขลามไม่ได้ถูกพังทลายไปด้วยข้อปฏิบั ต, ติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เรายันได้ขนาดนี้เลยตายก็ตายเราไม่ได้เราไม่เคยมีความหวั่นไหวได้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจแล้วเท่านั้นไม่ว่าใครแหละจะอาหารเ์นั้นกันหมดอืพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกเป็นศักดิ์พยานพระ อ, องค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รเปอร์เ็นดึงดูถึงขนาดที่พระสารีบุตรได้พูดว่าแม้พระเจ้าเราก็ไม่เชื่อว่า ก็เพราะอะไรจึไม่เชื่อก็เชื่อภาษาที่บุตรที่เป็นขึ้นภายในตัวเองเป็นหลักสักดีพยานของพระพุทธเจ้านั่นไม่เชื่อแต่เป็นศักดิีพยานของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีนั่นสันธิทิกโก๋เป็นอย่างนี้นั่นคําว่าสันติโกโอเป็นอย่างนี้เองจําเป็นอะไรจะผมจะให้พระุทธเามาบอกมามาประกาศมายืนยันมารับรองล่ะพระสันติทิกโกพระองค์ประกาศยืนยันไม่แล้วยังไงนี่คืออันนี้เองนี่ที่ว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าดังที่เราเคยพูดในฝั่งแล้วในปริยัตมีจนพระ ตาบอดหงวกปฏิภาสปุถิดชนทั้งหลายยกโทษท่านสารีบุตรว่าไม่เชื่อบุริเจ้าเป็ น, นถึงขนาดพระอรหันต์และอักษรวากรังขวาทํำไมไม่เชื่อบุริเจ้าถ้าเปฟ้องบุริเจ้าพระยาก็รับสั่งว่าเป็นยังไงสารีบุตรไม่ทราบว่าเธอไม่เชื่อเราสาคตใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าข้าพระ อ, องค์ได้เชื่อความสัตย์ความจริงในหัวใจของข้าพระ อ, องค์โดยเด็ดขาดด้วยสันติสันติการทำของพระ อ, องค์เออใช่แล้วสารีบุตรใช่แล้วนั้น ฉันทีกาผู้นมงเลยรู้เองเห็นเอ ง, เอ ง, เองดังพระเจ้าสอนไว้มันก็เป็นสักขิพยานองค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นนี่สาวบอกทราไหนเอารู้ก็ไปที่องค์ไหนรู้ไม่ว่าวันไหนวันไหนวันนี้ก็เอาเถอะถ้าจะเป็นเป็นสักขีพยานพระเจ้าไม่ได้แล้วมีหรือในโลกกว่นี้ตัวข้าทำแต่ไว้ชอบถึงขนานนั่นทีเดียวยืนยันทีเดียวอาฐานต่อรับความจริงที่หลายพระองค์สอนเพื่อหลับความจริงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ทําที่จะไปอุตลิบอกว่ามี ถ้าเจนของไม่มีแล้วไม่มีถ้ามีบอกว่ามีลบล้างไม่ได้ก็คือศาสตร า, ตรางองค์เอกแต่ละองค์ที่มาตัดสัตว์รู้แดนแหน่งความจริงทั้งหลายนี่เองตามความจริงไม่เอียงสอนแบบตามแบบแห่งความมีความเป็นทั้งหลายสอนแบบเดียวนั้นหมดอะผู้ปฏิบัติปฏิบัติท้ารู้จริงังจริงตามนั้นแล้วค้านได้ยังไงฮะก็เมื่อมารู้มาเห็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ยังไง <c oughs> นอกจากคนหนึ่งหูหวัวกคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งไม่มาเห็นมันค้านกันได้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 อันนี้ก็เหมือนกันทำผู้เจ้าเป็นธรรมที่ยอมรับเพราะแสดงตามหลักความจริงไม่มีที่ไหนจะขัดค้านนอกจากคนหุหนวกตาบอดอย่างพวกเราเราท่านๆนี่เงินค้านผู้ดเจ้าก็คือกิเลสพาให้ค้านเราเองเราก็ไม่ตัง้งใจอยากจะค้านเราหักไม่ทราบว่าเราเป็นเครื่องมือของกิเลสกิเลสเอาไปค้านผู้ดเจ้าเอาเครื่องมือเราไปต่อสู้ผู้ดเจ้าเองทั้งๆ ท, ที่เราเป็นชาวพุทธลูกศิษฐาโคตมบรต่อสู้ครูโดยมันรู้สึกตัวมันมีอยู่ในหัวใจของเรานั่นะพะกิเลสพาให้ต่อสู้นี่อเอาจริงจังี่จะได้เห็นหมดเรื่องเหล่านี้ นี้จากภาคปฏิบัติไปไม่ไมพ้นแ่ละทัติปัญญาอย่างให้ดีตั้งให้ดียาเสียดายเวลาเวลายาเสียดายความเกิดจากเกิดตายมันไม่ไปไหนแล้วมันเกิดจากเกิดตายบนเวียนกันไปมาอยูน่นี้ตลอดกับตัวละครคือเราแต่ละท่านละท่านเราแต่ละลายลายสงสัยไปไหนอืมที่จะออกจากนี้ที่มันเป็นของสำคัญเอาบึกบือนสิเมื่อข้อปฏิบัติกําจัดกิเลสทั้งหลายนี่ละตัวภัยคือกิเลสไม่มีอะไรเป็นกิเลสยิ่งกวกกิเลสเป็นภยัยต่อจิตใจ มันพาให้วอกเยนเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าเป็นก็มันก็เป็นแต่แล้วมันก็หลอกทิ่ไหนที่จะกินมันหลอกที่ไหนที่จะปลอมมันเอามาย้อมจิตใจเราชัดโลกถึงหลงไม่มีความอิ่มพอในความหลงความเคลิบเคลิ้มรักก็ไม่อิ่มพอโกรธไ ม, ม่อิ่มพอเกลียดไม่อิ่มพอข้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่อิ่มพอถ้าเเรื่องของธรรมนะกิเลสให้อิ่มพอทันทีให้เบือให้หนายนั่นเมื่อกิเลสมีกําลังมากเป็นอย่างนั้นแต่พอธรรมมีกําลังมากแล้ ว, วัดกักเลสเอาอีกแล้วที่หนีรู้กันโกงกันข กิใจใจตรงนี้มันกิเลสมันเอาไปทถลุงก็แหลกทําเข้าไปแทรกไม่ได้เลยถึงเวลามันในระยะที่ที่กิเลสเมียร์นาศเรื่องอำนาจมันเป็นอย่างนั้นในหัวใจของเราแต่ละดวงดวงรู้ในนี่แหละเวลามันเราจะรู้ในภาพปฏิวัติของเราเองพอก้าเข้าสู่ภาพเดียวัติพอจิตเริ่มเป็นสมาธิจิตเริ่มเป็นปัญญาเข้าไปนั่นอธิณี่เริ่มนะจิตตรงนี้จะเป็นฐานที่ทํางานแห่งธรรมกิเลสจะจะเริ่มค่อยเสื่อมค่อยคลายค่อยพังทลายลงไปโดยลําดับต่อไปก็ จิดตรงนี้เป็นโรงงานของการผิดทําไปเลยสตยิปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งมันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนั่นแหะที่นี่เอาละที่นี่คําว่าความขี้เกียจยิ่้ามเป็นเรื่องของเกลียดหายหน้าหายหน้าหายหายน้าน่าเนเราก็เห็นโทษของีเกลียดสิ อ, อ๋อความเกลียดเรื่องของเกลียดเป็นอย่างนั้นเรื่องเกลียดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นรู้กันไปหมดเลยทีเดียวพอทําได้ขึ้นแล้วมันมองเห็นหมดไงนั่นแหละท่านวัดอธรมอัตโนมัติจิตสติปัญญาอัตโนมัติได้ทํางานอยู่ในภายในของจิต กิเลสพังลงพังลงทางลงสุดท้ายกิเลสมีอยู่ที่ไหนไม่ได้ี่งานไม่ว่างไม่ว่างจากการค้นคว้าไม่ว่างจากการทำลายกิเลสไม่ว่างขึ้นที่ว่ากิเลสมีอยู่ตรงไหนงานการบำเพ็ญทำเพื่อฆ่ากิเลสนี้จะไม่มีเวลาว่างเลยถ้านะเธอมหาจติมหาปัญญาในขั้นพุติการท่านว่างงานถ้าที่ปัญญาตโนมตัตคือหมุนตัวเป็นเสียวไปไม่ว่าจะยืนจะเดินจ ะ, น, จะนั่งจะนอนไม่มีการได้ตั้งสติหากเป็นทักษะธรรม่าติตนเองเป็นอยู่อย่างนั้นนี่คือจิตที่ถึงขั้นที่หมุนตัวเองแล้วจะทราบหมดกลมมยาของกิเลส ถ้าไปโดยลําดับลำนาจนกระทั่งกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วที่ธรรมจักที่หมุนตัวเป็นเกลียวด้วยสติปัญญาสตางค์ความเพียรนี้จะหยุดตัวลงไปเองไม่ต้องบอกเพราะจะทาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้ไม่ใช่บ้า น, นี่นะทําสอนคนนี้เป็นบ้านมา่อไรกิเลสตั้งหากสอนคนนี้เป็นบ้าเมื่อกิเลสมันสิ้นสุดลงไปเริ่มหน้าแห่งธรรมมาวุธแล้วมันก็ยุติกันเองนะว่าใช้ชนะแล้วไปลล ก, กอะไรอีกใช้ชนะอย่างเด็ดขาดนี่ที่นี่หมดเรื่องกังวลแห่งความเกิดจากเกลียดตายไม่ต้องไปถามที่ไหนปราชญา์ที่นี้่ทําลายหมดแล้ว ปัจฉาในภารกิตใจไม่ทำลายนี่เกิดเรื่อยตายเรื่อยอย่างนั้นแหะมันเอาเชื่อปัจฉาไปอยู่ภารกิจในฟ้ ไ, ไปเกิดไปตายไม่สงสัยมันผ่านจัดเกิดจัดตายอยู่ทุกดวงวิญญาณเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณในสามแดนโลกธาต น, นี้จึงไม่มั่งความเกิดความตายของจักรโลกตามพบภูมิมันหยาบอนละเอียดอย่างนั้นการมาพบภูมิประพบอุูประพบทั้งเอืมเว้นแต่อนาคามีถึงสุดทวารห้าชั้นนั่นเป็นไงสุดทวารห้าชั้น อวิหาตะปาชุตัสสาชุตัสสีอคติฐานี่เป็นที่บรรจุของพระอนาคามีตั้งแต่ได้ระดับแห่งความเป็นพระอนาคามีถ้าสรวจสอบก็ได้ห้าสิเปอร์เซ็นไปแล้วเรียกว่าได้และห้าสิบเปอร์ซ็นแล้วจะค่อยก้าวขั้นเยขึ้นไปเรื่อยหกสิเรเจ็ดสิปอร์ซเื่อยขึ้นไปโดยหลักธรรมชาตินี้อัตโนมัตินี่ของจิตของผู้บำเพ็ญเมื่อก้าวเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่ได้สํเาเร็จพระอนาคามีก้าวขึ้นถึงขั้นสุดท้ายห้าชั้นนี้แล้วจึงไม่กลับ คือหมุนตัวไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่แต่ได้ระดับแล้วจะไม่จะไม่เน่าไม่แฟจะแก่ไปเรื่อยๆจะบ่มก็ตามไม่บ่มก็ตามอืแล้วแก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสุดไอ้ที่แก่ตัวก็เป็นแค่นั้นอยู่ได้ระดับนอัตโนมัติของตัวเองที่จะบ่มตัวเองบินทิ้งตัวเองไปโดยโวยหลักธรรมชาติด้วยธรรมธรรมก็เป็นหลักธรรมชาติอืม ค่อยหมดไปหมดไปโดยหลักธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะกล้าขึ้นไปกล้าอะเลื่อนอวิหารอาตัตตปาแล้วก็สุตัสสาตสีไปตามภูมิของกิจของธรรมถึงอกนิกฐาผ่านจากนั้นก็นิพพานนั่นไม่คืนมาอีกขั้นห้าถะพระอนาคามีตั้งจะได้ระดับจนกระทั่งถึงพระอาคมอาคมีเต็มอนาคามีเต็มภูมิก็ไปอกนิกฐาแล้วก้าก็สุนิพพานนี่ขั้นเหล่านี้ไม่กลับถ้าลงได้เป็นอัตโนมัติภ า, ายในกิจในธรรมแล้วไม่กลับเนี่ขั้น ภูมิของพระนาคามนี้นี่เป็นภูมิอัตโนมัติไม่กลับไปเรื่อยๆเลยท่านผู้สําเร็จพระนาคามีจึิงไม่ ว, ว่าเรียนมาเกิดอีกต่อไปเนี่ยอำนาจของตามที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากสุดเลยเหมือนประกาดนั้นพอออกจากนั่นแล้วก็ไปเรื่อยไปโดยธรรมชาติเองถ้าหากว่าเราจะเที่ยวกับเหมือนอวกาศมันมีเครื่องหนึ่งดูดไปเรื่อยๆเลยมุจนกระทั่งถึงที่สุดนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็นรู้เอง อยากให้รู้ในนี้นะยาไปไปหมายนะอวิหาตรตภาวสุขาสุขาสียาไปหมายนั้นที่เป็นที่บรรจุของจิตที่อยู่ในระดับใดเท่านั้นให้บํําบาเพ็ญตนงตนให้อยู่ในระดับที่จะก้าวขึ้นสู่โดยความส้นทุกข์โดยลระดับภ า, ายในจิตนี้เถอะให้มันรู้ตรงนี้อวิหาตรงนี้อัตพาสุขาสุสีตรงนี้น่ะเออยู่ภ า, าย ใ, จในจิตใจนี้ก่อนเมื่อทราบนี้แล้วเราทํำไมต้องพูดถึงข้างหน้านั้นกําลังของเราขนาดไหนขนาดไหนจะกล้าไปได้ขนาดไหนมันจะรู้ภายในตัวภายในตัวนี้ แล้วก็สุดท้ายก็รู้ภายในตัวนี้หมดจดไม่มีอะไรเหลือเลยเอ้นี่เหลือความสิ้นทุกข์เป็นอย่างนี้เหรออะไรเป็นเครื่องก่อทุกทุกวันนี้มีอะไรยืนภายในของหัวใจนีมันจะมีอะไรมีแต่กิเด็ดตัวเดียวเท่านั้นะะฮเมื่อกิเด็ดมันสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรก่อเรื่องหรอกมันมีตะขันห้ายุบยิบยุบยิบยุบยิบเป็นเหมือนหางจิ้งเหลนเท่านั้นเองมันดิ่งของมันไม่มีเจ้าของนี่เอวิชาปริญดาซึ่งเป็นตัวที่ให้เกิดอุปทานที่มันถือมันมันตายไปแล้วอะไรมาเป็นเจ้าของขันห้าไม่ม เป็นพูดเอามาใช้ตอนนั้นท่านถึงจะเป็นเจ้าของทัานก็ไม่ยุดนี่ทำจิตเป็นความบริสุทธิ์แล้วเอาขันห้านี้มาใช้ขันห้านี้คือวิบากของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสแต่กิเลสมันตายไปแล้วทำก็เอามาใช้นั่นแหะท่านใช้ปร ะ, ปร ะ, ประกาศาศาสนาธรรมสาาาอนโลกเรารู้เจ้าตรัสรู้แล้วเอาขันนี้เราไปสั่งสอนโลกเสเด็จไปโน่นติมที่นี่เสียงก็เสียงของขันห้าจะว่างเลยประกาศธรรมสอนโลกพระสาวกทั้งหลาประกาศศาสนาก็เอาขันห่านี่ ท่านอาศัยสมบัติของจิเลสคือขันหานี้ไปให้ทำประโยชน์ทางด้านธรรมประโยชน์แก่โลกแก่สงสารถ้ า, ท, าท่านไม่ยึดเนี่พอสิ้นวาระเข้ามันหมดกำลังแล้วขันหานี้พังทลายท่านก็ปล่อยไปตามหลักธรรมชาติอิจฉาโตปรินิูุโตนั่นดับรอบหมดความกังวลจะถี่ไม่ต้องยุ่งนั่นและ ผ, ผ, ผู้ผู้ผู้ดับจริงดับอย่างนั้น ดับไม่ได้ดับล่มจับจมไปไหนดับบรมมาศนะมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่กับผู้รู้นี่ปัจจุบันนาจิตปัจจุบันธรรมอยู่ที่ตัวของเรานี่กิเลสก็อยู่เป็นปัจจุบันนกิตอยู่ในปัจจุบันนาจิจปีบาลธรรมอยู่ที่ไหนมันแทรกอยู่ในนี่แก้มันลงที่ตรงนี้ทีไปคิดอะไรเรื่องพุทธการอย่าไปคิดถึงเรื่องไม่เรื่องชลาคำฆ่าเรื่องการเกิดการตายของเราเป็นอย่างนั้นนี่อํานาจวัฒนาน้อยในกิเลสมันหลอกไปหลอกไปมันจะให้ออกหนีจากหลักเกณฑ์ที่จะฆ่าตัวหัวมัน ฟันออมาตรงนั้นสินักปฏิบัติเอาให้มันจริงมันจังในการคุยปฏิบัตินี้ได้หายหมดบุรุมาสุขไม่ต้องถามแหละเมื่อกิเลสจิ้นสร้างไปแค่ยอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ไหนได้หมดเป็นได้ตายได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเจ้าจอมปัญหาก็คือกิเลสอย่างเดียวคุยปฏิบัติเอาให้จริงให้จังอย่างนั้นสิ เดี๋ยวนี้มันความรู้สึกของชาวพุทธเรามันกลายเป็นเรื่องความสุดเอื้อมหมดหวังแล้วนะในเรื่องมรรคผลนิพพานในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบาปนรกสวรรค์ถูกกิเลสมันคืนไปหมดกิเลสมันมีนรกสวรรค์ที่ไหนกิเลสไมีได้หลอกโลกว่าไม่มีไม่มีทางนั้นหลอกโลกหลอกใครโลอกจิตเราท่านทําท่านท่านสอนว่ามันไม่ยอมรับเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าสึกกันมาแต่ไหนแต่ไร แ, แล้ว มันจะไปยอมรับความจริงไงขี้เหร่ไม่เคยยอมรับความจริงต้องหลีกเลี่ยงต่อความจริงเสมอไปจึงชื่อว่าขี้เหร่ตัวหลอกลวงถ้าเป็นนาทิก็คือนัาทียนที่ตัวหลอกลวงนันดีๆนั่นแหละะมันไม่ยอมรับความจริงมีแ ต, ห ต, ต่หลอกสะพัดสะพือหรอกเบ็ดเกาะปากว่างไงเอาเหยื่อล่อนี่นนตวัดทีเดียวเสร็จๆๆเสร็จเส็เมีแต่จาพวกหลอกนี้ทั้งนั้นแหะ ทำท่านไม่หลอกว่าอะไรจริงหมดจริงจริงมาตั้งแต่ครั้งไหนเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นที่ฐานนั้นเหมือนกันเงามัดจิมาจิมาปฏิปทาเหมาะสมตลอดเวลาทั้งการปรับตามกิเลสทั้งการเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรมันตลอดเวลามีความจริงเท่ากันไม่มีอดีตอนาคตขอให้ทุกท่านตั้งใจไปพิจารณปฏิบัตินะการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนอันนี้จังทุกขณาตาดีดเส้นมันทัดไว้เต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจ เต็มร่างกายจิตใจของเราทุกๆท่านไม่มีใครบกห้องต่างกันไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทํางานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็คือกองนี้จังทุกขังใาตาในท่านในกันของเรานี่แหละในจิตในใจของเรานี่แหละไม่ใช่ที่อื่นทีไหนเราอย่าไปว่านั้นไม่เที่ยงนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเรามันก็ไม่เที่ยงจิตใจของเรามันก็ไม่เที่ยงเมื่อมีสิ่งไม่เที่ยงแแสงกันอยู่แล้วเมื่อจิตได้ถอนตัวออกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอะไรจะเที่ยงมาเที่ยงจิตไม่ได้สนใจจิตไม่แบกไม่หาม จิตเป็นธรรมชาติของตัวเองด้วยความบริสุทธิ์นั่นสมมุติกับบิดมุดดิ้ต่างกันหนังนี้สมมุติมันจะดิ้นไปทางไหนก็ดิ้นไปเธอบิมุดแล้วไม่ดิ้นด้วยนะจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองอเอาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสงควรยังขอทีจิ อ, อ, อย่างนี้ไม่ยช่ไงเราอยากให้หมู่เพื่อนเท้มค้นทางด้านความเพียรเร่งความภาคความเพียร มานอนใจยังลยแล้วยิ่งมีมากซะด้วยตั้งสี่สิบกว่านั่นโยเยียเยไม่ได้เรื่องเลยเรื่องทําเกิดมักโกิดยอย่างนั่นแ่ะเราจามานะไม่ได้เกิดจริบนเสื่อบนหมอนอะไรนะทำเยยกิดจากความทุกข์ทรมานทำไม่ได้เกิดบนเสือบนหมอนเกิด ความทุกขความารมานไม่ไเกิดกับความสมบูรณ์พูนผลที่โลกสมมุติว่ามีความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้เกิด อ, อย่างนั้นมันกิเลสเกิดทําไม่เกิด อ, อย่างนั้นทังต้องทำเป็นอีกทางหนึงทางกิเลสเป็นอีกทางหนึงคนต้องทำของกิเลส ต, ต่างกัน อืไม่ลืมสัจธรรมไม่ลืมมันอยู่ในหัวใจสัจธรรมต้องทุกข์อยู่ในหัวใจทุกข์ในขันเนียถึงสมมติว่าทุกข์เพราะสมุทัยก่อเหตุไม่มีทุกข์ในขันมันก็มีมันก็ลู้มก็เป็นสัจธรรมสติปัญญาไม่ใช่กเพสข่ากิเลสสติปัญญาประจําขันมันก็มีแล้วสิ่งที่ข้ากิเลสคืออะไรมันก็เคยมีมันอยู่กับที่หัวใจมันจะลืมไปไหนอื มากมากสติปัญญาอะไรนี่โลดคือความดับทุกข์บรรดาที่ไหนหลวงรูมันดับที่ใจไม่ดับที่กายแหละกายมันเกิดมันดับของมันเองนั่นแหละเรื่องทุกข์มีปรากฏต้องสงบไปทุกข์ภายในใจไม่ดับลงไปแล้วไม่เกิดน่ไม่มีอะไรเกิดทุ ก, กข์เพราะกิเลสดับแล้วจากใจทุกข์พราะกิเลยจริงไม่มีที่เกิดขึ้นที่ใจ ดับดัง น, นั้นนิโรดนิโรกความดับทุกข์กิยาของความดับทุกข์อย่างนั้นท่านเพิ่งทำให้แจ้งทําให้แจ้งนิดหน่อยนิโรธเพิ่งทําให้แจ้งคนบอกบอกให้เฉยแี่หลักใหญ่ก็อยู่ที่มัจสมาธิปัญญาสติปัญญามัจนั่นแหละผู้ที่จะทํายุเด็ดให้ดับ กิเลศดับแล้วทุกก็ดับพราะกิเ็นผู้สร้างทุกขัอยู่ใ น, ในใจจะลืมไปไหนสัจธรรมแล้วความทุกข์ความทรมานขนาดไหนในธาตปในขันธ์มันไม่ดืมเนี่ยผมเป็นคนในใิสัยวาสนายาขับพูดถึงว่าคนหนากระถูพอกลุกขาปฏิบทางแหากจะจะรู้อัดรู้ทำมันก็ ทันตาปิญญาทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้าไม่ได้สุขาปฏิปทาคิดตาปิญญานี่ทั้งมุตการมีมากทั้งตุวันน้อยมากอยู่เดียวเพราะนั้นเป็นพวกอุกติเตณยูวิปยิเตณยูแต่ญญพวกอุกติเตณยูวิปยิเตณยูที่พร้อมที่จะรู้จะเห็นนี่ท่านเป็นสุกขาปฏิปทาคิดตาปิญญา แม้ทุกขปฏิรุธาก็คิดป่าญญาแม้ลําบากก็<ๆ>ก็รู้ได้เร็วสะดวกก็รู้ได้เร็วเพราะฐานของท่านพร้อมที่จะรู้ได้เร็วอยู่แล้วแต่ฝูงลอยถูถ่ายกันไม่ตายถึงจะรู้หนักขนาด น, นั้นมันเป็นตามเป็นขั้นเป็นตอน จักบุคคลมีว้าสี่ประเภทอุคติตนอยู่วิปปิตนอยู่เนยยะนั้นก็มาปัะทะประ a m พวกปั t h ะปราม a m นี่เรียกว่าพว ก, พว ก, ก น, น, น, นั้นโห้เพื่อขัดนะบอกจินเฮ้ยเืออ้วนเลยเพื่อนยนื้อกบค น, นสบายนะ ม, ม อ, อมุดไปอยู่มูเลยเนยยะผู้ควรนำไปได้เมื่อแป ล, ออแลว้ว ผู้คนแนะนําสั่งสอนได้หลายครั้งหนึ่งหงก็ค่อยหลายครั้งหน่งหงก็ค่อยเป็นค่อยไปในยะในยะนีะ่ปัททะปรมานี่มันมืดบอดรอบด้านไปเอาแล้วไปมันมันมีบทเป็นอย่างยิง่งมันจัดเปลียได้ประเด็นบทมันคืออะไรมันก็มืดบอดเป็นเป็นพื้นหัวใจอยู่นั่นแหละคุณเอ้มืดบอดเป็นพื้นหัวใจ มันไม่ยอมรับความจริงเพราะมมีแต่ความปลอมเต็มหัวใจแล้วมันจะเปิดประตูรับความจริงได้อย่างไงประเภทนี้ที่ยว ป, ประเภทหมดหวังประชารัฐปราหลถ้าเป็นคนไข้ก็เรียกว่าประเภทไอซียูไปเข้าห้องไอซยูไม่เกี่ยวกับอยู่กับยากับหมออะไรเลย <c oughs> มีหลายประเภทประเภทเนือยะที่ควรรูได้นี่แหละประเภทที่ดันทารีชา ทุกข้าวปฏิปทาทันท า, นาปิญญาปิญญามันน่าจะเป็นประเด็นี้คือปฏิ บ, บัติลําบากแต่รู้ได้ช้าถูถ่า ย, ยางผมอ่านต้นไม้ฉบับที่ให้หมู่เพื่อนมาอ่านมันนั่นเกี่ยวกับเรื่องของปู่มัน่นที่เขาโจมตีของปู่มัน่นตำมีดที่เจ้ของปู่มันน่นไม่แม้ผมสลดสังเวชมากๆเหมือนกันนะนะักปฏิบัตินะักธรรมะด้วยกันเป็นค่าสืบบนกระดาษ น, นี้ก็มีอืม เจเหรือวอ๋อเราก็แต่ก่อนเราก็ไม่เอยคิดอะไรมากนะักพราะมาเห็นนี่ยิ่งเป็นสำคัญสำคัญเลยนะมาสะแสดงอย่างนี้แนละ้วโอ้โหทุเลตาจริงๆนะเป็นตัวสำคัญปฏิบัติทำยังไง ร, รู้ทำยังไงันเอาทำไปเป็นโลกบางหน้าและสนุกสร้างความชื่อช้าหนามกยางเต็มกำลังเท่านั้นเองก็ เราก็เห็นได้เท่านั้นหลอกโลกเขาอยู่เท่านั้นเองท่านหลวงตมิอาจารย์งงมั่นได้ยอมคอแล้วในวงปฏิบัตินี่ภาพปฏิบัติที่ถือว่าเป็นภาพปฏิบัติที่ถือว่าเป็นสถานที่หรือพระที่น่ากราบไหว้บูชาของโลกเขาได้เป็นเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เลยสลดใจเหมือ น, นกันหลอกก็ดี เนี่ยไปอย่างหนึ่งแล้วก็เนี่ยได้ะแต่พระพุทธเจ้าเขาก็ยังตหมิได้ลงคอ ว, วา่าห่างกันมันก็ผ่านไปเพราะเราไม่ได้คิดเนี่ยเดียวเนี่ยคิดหลายเนี่ยหลายสันหลายขมโอ้ยพอหนักก็ดุ้มากดุ้จะเป็นกดเป็นระเบียบ <s> <s> หนึ่เท่านั้นนะดูสังเกต ด, ดู ปฏิบัติกันเพียงเป็นกฎเป็นระเบียบน่งไม่ใช่เป็นทำโดยอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติจะเป็นรูปเปเห็นขึ้นมาโดยตัวเองคำพััวเองใจดวงนี้เวลามันโง่มันงนงงมากนลยใจดวงเก่านั้นะตัวนั้นเวลามันโง่มันโง่จริงๆใจดวงเก่า แต่เวลามันพลิกสันพิกคมให้มันขึ้นมาด้วยอหนาจของธรรมมันก็เป็นอีกอย่างนึงเชนกันธรรมมีอยู่ในโลกมันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงธรรมมีอยู่ในโลกพอเมื่อใจได้สัมผัสมันถึงรู้อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อเลื่อยไปเลย ต, ตัทําพ่้นพื้นๆจนมาทำที่ว่าสุดยอดก็ว่าไปเถอะมันไม่นอกเหนือไปจากใจที่จะเป็นผู้รับสัมผัสตั้งแต่ปียกย่อยจนกระทั่งถึงเต็มภูมิภูมิรู้ภูมิเห็นภูมิสัมผัสเข้าที่ใจที่มใจจึงพิสดารมากนะพิสดารจริงๆเราจะไปคาดเป็หมายเรื่องใจนี้คาดไม่ได้เลยตาหูจมูกดิ้นกายเหล่านี้มันคาดได้ เพราะมันมีขอบมีเขตตาจะเห็นไปแค่นั้นจากนั้นเจ้หูหได้ยินแค่นั้นนั่นเนี่ยมันมีขอบมีเขตทั้งมันใกล้ๆอะไรมันก็มีขอบเขตทั้งมันมีวงจํากัดแต่ใจนี่ะนักไม่ไม่มีอะไรเป็นขอบเขตเล ย, ยนหนึ่งก็ให้รู้กันไปเถอะให้รู้กินหนึ่งรู้อัดรู้ทำที่ว่าเนี่ยนะยิ่งกิเล็ส เป็นสิ่งอุ้มห่อพวุฒิปิดบงัดบงบีบบังคับมันแตกกระจายไปหมดแล้วจิตนี้แสดงตัวเต็มอำนาจตัวเองแล้วนั่นแหละสิ่งไม่รู้มันก็รู้สิงไม่เคยเหน็นก็เห็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาในนันหาที่สงสัยไม่ได้สงสัยไม่ได้สสไไดนั่นในที่พุทธเจ้าที่ประกาศเพียงพระ อ, องค์เดียวสามารถสอนโลกได้ทั้งสามโลกะธาตุอว่างไรพระ อ, องค์สอนหมดเมื่อสัตธาเทวุนุสารนังสามารถเป็นครูได้ทั้งนั้นเพราะทรงรู้ทรงเห็นนั้สามารถที่จะ หยิบยื่นธรรมะล่านี้ให้แกผมนั้นได้น่ะมันเป็นของจริงได้รู้จริงๆเห็นจริงๆอาฐานจากความรู้การเห็นขององค์แล้วหยิบยื่นให้เห็นได้อย่างชัดชัดน่ะซึ่งเราไม่มีใครสามารถเลยเพระองค์สามารถนี่แ่ะความสามารถของมนุษย์เรามันต่างกันใจดวงนี้เรามันต่างกันกูงโง่กโง่อย่างฉล า, ารถผู้ฉลาดชั้นลาสุด จ, จนเกินโลกเกิดทุกขารจนล้นโลกปุริง่ายก็อย่างนี้เองอ่ะ ใจเนี่ยมันสำคัญมีมากนะหลางพุทธวิสัยกับสาวะกะวิสัยนี่ผู้สิ้นกิเล็ดแล้ววิสัยของกิต ย, ยังต่างกันมากมายความกวาม้วางความแคบนที่จะรู้เห็นธทำต่างๆส่วนความบริสุทธิ์เหมือนกันก็จริงแต่ความสามารถที่จะนํำทำทั้งหลายนี่มาใช้แต่สมมุตนินี้ใครจะได้เกิดนวุิเจ้าอ่าที่เอามาใช้มาได้แต่ทรงรู้ทรงเห็นนี่มีมากเหล่ามากพันธน า, นามไม่ได้เลยเราเราเชื่อหรือยว รอมชื่อเอาจริงๆริงมิ่ต้องกิบนขนาดนั้นเวลาที่จะรู้เต็มภูมิสายวาสนาตัวเองแล้วเต็มจริงๆไปสุดเบี่ยงก็นีง่ายนะ่างที่พ่อแม่กูจันทร์มั่นท ำ, ทำเวลาได้เกิดแล้วเกิดทุกเวลามเวลาทำงนไม่แหงนี่นทำท่านพูดเลย ท่องวิญญาณยอมยอมท่านนาเกิดห้เกิดในทุกเวลาไมงว่าทําอะไรใน่จำคัมภีรบลานเหมือนน้ําในตุ่มว่าทาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีในคําภีร์บาลานเกิดขึ้นในธรรมชาติตามธรรมชาติของจิตของจิตของธรรมของผู้รู้จิตรู้ธรรมนั่นเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรแม่ท่านพูดแม่ท่านได้ฉาดมากๆที่เรามาลงในปัญหาคือดิน ก็ไม่มีอะไรมาปิดมากัน้นนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นพอกิเลสทังไปแล้วสนุกแปกบ้างหัวหางกลางตัวเต็มความสามารถของกิตเรียกว่าเต็มเหนียวว่างั้นเถอะนี่กินตรงนั้นเป็นธรรมทั้งทั้งดวงแล้วทำไมธรรมไม่เกิดเอเกิดเป็นกิริยาออกมาเป็นออกมาอะไรๆที่ควรจะสัมผัสสัมผันเป็ น, น, น ไ, ได้หมดจิดตตรงนั้นก็เป็นธรรมทั้งดวงอยู่แล้วแต่ทําประเภท อาการต่างๆที่จะมาสัมปัสััมพนธ์กันมีอีกมากต่อมากนเกิดได้ทุ่ํา่ำเมลาร์จะไม่เกิดได้อย่างไรก็มีอะไรบีบบังคับจิตใจถึงนั้นได้เกิดได้ทุ่ํา่ำเมลารมาทําเกิดทําเกิดถึงเวลาเกิดเกิดจริงๆอันนี้ในขั้นฆ่ากิเลสด้วยปัญญาก็เหมือนกันนะสติปัญญานี้ ที่พลิกแพงเปลี่ยแปลงต่อสู้กิเลสนี่หลายสัมหลายคนมนี่ก็เป็นทําเกิดทําเกิดเหมือนกันทําเกิดก็เพื่อฆ่ากิเลสมันอุบายเกิดอุบายเกิดฆ่ากิเลสทําไปเรื่อยอยเลยะทําเกิดอุบายเกิดจากนั้นมาแล้วก็เป็นอุ้ปก็เเกิดอีกแบบหนึ่งไม่ได้เกิดเพื่อจะฆ่ากิเลสอะไรหรอกหากเกิดเป็นแบบธรรมรัตน์กรรมช่างตัวเองเกิดเรื่อยอเลย พบุตรแบปนหน่อยแง่เป็นป น, ป น, ปนั่นนะท่านเก่าวสือข้างพุตรการท่านเล่าข้าท่านสวดมนต์ข้างขางเกาะอยู่บนเพดานท้ำเท่านสวดมนต์มันฟังแล้วมันไพล้าพรอมทิ้งมันคร้อยอะไรไม่ทราบรับเคลิคค่ไปในอันใดทำทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวไป เลยตีนมันเลหลุดจากระดานถ้ตกตรงมาถูกหินั้งหล่างนี้ตายแล้วไปสวรรค์กันหมดฟังดิคือนนด้วยความยินดีเพิ่มอยู่ในอในธรรมทั้งหลายตกมาแล้วตายมีใครจะไปรู้กิจของั้างถาวถ้าไม่ใช่พระเจ้ากับสาวกบางองค์สาวกองท่านรู้ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกองนะ มันตอา น, นี้ตามนิสายว า, าสวนาสำนักพุทธิ้านั้นแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นสามเษาตริที่เจ้าทรงประกาศเอาไว้แล้วก็เขียนมาในตำราองคนี้ตายได้วตะเกิดในสอรพวกข้างข้าแล้วก็ไอ้กีพัติจาตายได้เป็นเล่มอยู่ในกีวรันที่ไม่มีใครคาดคิดกันเลยครับ โยมก็ถักถวายผ้ามาให้ตัดจีวรก็แต่ก่อนไม่มีจักรนี้นะเย็เบเย็บด้วยด้วยมือก็ผ้าเนีนทั้งหลายก็รวมกันเย็บช่วยกันเย็บจนกระทั่งเสร็จเย็บเสร็จแล้วย้อมตากผ้าอีกเรน่อยบางคืนเามันเป็นปัจจุบันโรคปัจจุบันท้องถ่ายปัจจุบัน ฟังว่าอาหารไม่ย่อยรื่ไูไ่นไตาม้นคือว่าเมื่อาทิศาได้ตายยังไม่ได้คลองพ้ากิวันผุนใหม่นั่นเลยและจิตใจมีความปฏิภาษยินดีติดอยู่ในกิวันแล้วหึงหวงกิวันอีกด้วยเออมาเป็นเป็นเลนและเกาะกิวัอยู่นั่นใครก็ไม่คาดเลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยเลยนะมารับสั่งเลย ว่กี่วันผืนนี้ให้เก็บไว้เรียบร้อยใครจะไปแตะไม่ได้เป็นขารหน้ามาันพระพระจิตศาตายแล้วว่าเป็นเลนเกาะยี่วันอยู่นี่นะเดี๋ยวใครไปแตะและ้วพระจิตศาจะมาไปยื้อแย่งเอากี่วันแล้วมาแล้พวพระจิตศาจะเกิดโทสาแล้วจะตกนรกนะวางันห้ามเขาจะไปแตะให้เก็บไว้เรียบร้อยว่างันเลยสั่งขาดตัวตรงนี้น่ะจนกระทั่งเจ็ดวันผ่านไปแล้วถึงมารับสั่งใหม่อา้อาว ตัวนี้ไปแจกกันได้จริงๆพระติจะตายจากเรนนี้แล้วไปสอนเนี่ยนะฟังดินี่พระองค์รับสังเองนะนี่แหละกิตมันขนาดละละเอียดขนาดนั้ น, อ, น, น, น, น, นอันจุดุปาตยานจุดุปาตยานรู้จักอันจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย ชาวงองค์กรูอย่างพระกัสสปะหนึ่งท่านเจ๋งเหมือนกันนะท่านพิจารณาเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายและความเลื่รอนเวียนไหวของสัตว์ของจิตวิญญาณของสัตว์ถ้าพระกัสสปะท่านพิจารณาท่านเหมนคืนดึกๆพระองค์ทรงพิจ า, ารณาส่งเลญญานมาถึงพระกัสสปะดูพระกัสสปะกําลัง พิจารณาดูสัตว์โลกอยู่ว่างั้นเถอะนะคุณง่ายเรื่องความเกิดความตายของสัตว์ของดวงวิญญาณต่างๆอืมมันยุ่งตัวยุ่งมากต่อมากพระกัตถะกําลังพิจารณาถ้าองค์มาเตือนเม้ยกัตปะเธอเยยพิจารณานี้ไม่ใช่พิสัยของเธอถ้าอยู่ตามสบายลูกกบลูกไปเสียผ่านก็ผ่านไปซีอันหลางอันนี้เป็นวิสัยของเราตถาคตวางกันอย่าไปพิจารณาเลยท่านวางกันนี่นก็มีได้ทํา เนี่ยพระกัสสปอเป็นสำคัญมากที่ดูปัจจยานคือจงทราบอกคือคือคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ว่าเกิดจากตายจากที่นี่ไปเกิดที่ไหนแล้วมาเกิดที่นี่มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่นรพระกัสสปพิจารณาทราบมาหมดโดยตลอดกําลังพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงเรียนญาณไปทรงทราบแล้วก็เลยเตือ น, นรพระกัสสปอ๋อ ดูก่อนกับสัปะผู้เป็นบุตรของเราหวานเงินนะเธออย่ายุ่งกับเรื่องอย่างนี้นะเรื่องความจุติการเกิดของจากทั้งหลายหาประมาณไม่ได้มากกว่มา ก, มากอยากเธออยากเจะพิจารณาอยากเข้าใจว่ามันมีเท่าที่เธอผ่านเธอสัมผัสสัมพันธ์สในเวลานี้นะมากกว่มากมากาาับสัปปะหยุดไม่ใช่วิสัยของเธอวิสัยของเราจถากตัทาท่านหวานให้หยุดอยู่ตามอยู่สะดวกระบายดีกว่าที่จะมาพิจารณากันว่า คือคงจะผ้ า, า, าสามขอเราก็เรียกเห็นพระัสสาท่านเทือนบีนาดูดูสัตว์ความเกิดความตายของสัตว์ท่านเลยเตือนนั่นแหะเรื่องวิทยิญญาณ น, นี่มากจริงจริงมีแต่เรื่องอวิชาปัญญาทั้งนั้นนะอยู่ในนั้นฝังฝังบางเป็นหลักธรรมชาติของมันเองแล้วจะแก้ได้ด้วยธรรมแก้ก็เป็นศาสตางองค์เอกมาแก้เป็นพระองค์แรก ก็จากนั้นสอนสัตว์โลกเป็นลำดับบรรดาเช่นสาวกข้างหลังนี่ลู้ตามเหม็นตามทีแรกพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูทรงแก้ได้ด้วยพระองค์เองด้วยอานาจวาสนาพระบารมีที่ทรงสร้างมาดุนดบรรดาจนกรทั้งถึงเต็มที่แล้วสามารถพุ่งทะลุอะไรหินดานที่หนาที่สุดมหาหนาที่สุดวัดตัดใจใกพบนี่สามชั้นหนาไก่พบ ออกได้เลยนี่สยามผูท่านนี่ว่าสยามผูทรงรู้เองแปลวแล้วสยามผูทรงรู้เองไม่มีใครนะไม่มีใครสอนเลยเป็นหลักธรรมชาติพระพระเจ้าพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่และองค์เป็นสยามผูแต่ไม่ใช่วิสั ย, ยทัศนะแนะนำธรรมสอนไกาต่อกายเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นองค์เอกที่ควรเป็นคู่ควรอย่างเอกอีกด้วยนี่นำสัตว์โลกสอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์โดยลําดับธรรดาแล้วก็พูด ที่ไม่พ้นก็เรี่ยงลําดับลันดาขึ้นเป็นลาดับระดับคือว่าพ้นจากนี้มานี่พ้นจากนี้มานี่ เ, เรื่อยเดียยว่าสร้างบารมีให้ธรรมตะให้ย่นเข้ามาสั้นเข้ามาจากการํทำตามพระเจ้าการจากการได้ยินในความธรรมของพระเจา้าธรรมตะวนให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสั้นเข้ามาโดยลาดาบนี่เป็นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องวัตว น, นภายในจิตใจขนาดนั้นนะ พระองค์พระพุทธเจ้าแต่จร้แต่และพระองค์นี่นำจิตวิ ญ, ญญาณที่เป็นเจ้าวัตจักรนี้ให้หลุดพ้นไปในมากแสนมากนะแต่และพระองค์หมดปัญหาหมดปัญหาคืาอไม่ต้องมาเรียนว่าแต่เกิดเป็นทาบนจิตล้วนๆแๆลๆๆๆๆๆ้วก็สร้างเรื่อยตอ่อกไปเรื่อยต่อเรื่อย แลในปัจจุบันนั่นก็ขนาดนี้วันนี้ฟังธรรมท่านอีกเปลี่ยนระดับเข้าไปเลื่อนระดับไปเรื่อยๆข้างหน้าฟังเรื่อยเลื่อนระดับเรื่อยๆนี่ก็อีกอันหนึ่งมันตันจนกระทั่งสุดท้ายก็ผ่านก็ได้เช่นอย่างเวลาพระองค์ประทานพระวา่าแต่ละครั้งมาครั้งนี้พุทธบริษัทได้บรรลุผลนิพพานเป็นจำนวนมากนี่ก็คือว่าผู้ที่ควรจะผ่านก็ผ่านผ่านผู้ที่ยังไม่ผ่านก็ค่อยชะลอกันมามากันเรื่อยๆมาแทนกันเรื่อยแทงนเรื่อยระดับมันเลยพ้นไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อย มันเป็นอย่างนั้นเทบแต่ละครั้งๆโลกพุทธบริษัทได้บรรลุกรรมก็คือผู้ผู้ผทบริษัทนี้พวกระดับอุกติยูวิปีนดูพวกเนยนยะอเนยยะอย่างละเอียดอืมพวกเนยยะอย่างละเอียดค่อยๆเปิดมันไปอุกติยูวิปียูที่พวกรวดเร็ว นนพวกนี้เราควบขี่ควรไดบรรลุเรื่อยๆเรื่อยๆพอมาฟางภาพปั๊บเลยน่นอุกติเป็นอยู่วิบวิบอยู่นั่นก็พวกเนยยะหน่งที่ว่าศาสนาจะสิ้นสุดไปในห้าพันปีนี่ก็คืออะไรพระองค์ก็ทรงทราบด้วยพระญาณแล้วว่าความรู้สึกของของสัตว์โลกนั้นน่ะจะมีความยินดีในศาสนาเชื่อศาสนาไปเพียงแค่นั้นเท่านั้นจากนั้นก็ถูกที่เดือดปิดบังหมดไม่มีอะไรเหลือเลย เป็นไปตามคํำของศาสตร์เป็ น, ป ต, ารราปนปตามวาร ะ, ะไม่ใช่ศิลป์อยู่ศาสนาหมดตล้วนะมันหมายถึงจิตใจที่มีความเที่ยวความน้ำใสของสัตว์โลกนั้นหมดไปหมดไปแล้วจนกระทั่งไม่มีอเชื่ออะไรแล้วก็คิดว่าไร้อย่างปัจจุบันนี้ก็เป็นยังไงศา ส, สนาพุทธศาสนาของเราใครเกิดขัง้งพุทธการนั้นปฏิบัติกั็นยังไงมีความขายิ่มยิ้มย่องถือเป็นเนื้อเป็นหนังในอะไร ก็ในมรรคผลนี่ผ่านเดี๋ยวนี้มันถืออะไรเป็นเนื้อเป็นหนังโชคชะตาราศีเป็นบ้าไปหมดเห็นไหมล่ะมาเห็นพราก็คอยจะเอาบัตรเอาเบอร์เอาบ้าไปหมดนั่นเห็นไหมมันต่างไหมต่างกันไหมล่ะมันถือเป็นบุญเป็นกุศอะไรแม้แต่พระเองก็เป็นบ้ากัด้วยบัตร ด, ด้วยเบอร์ไปตามโลกตามมันทัหมดมันไปด้วยกันทั้งทั้งพระทั้งคารวะเพราะจิตใจถูกกิเลสมันปิดบังหุ่มห่อเหมือนกันหมดมันก็เลยยอมมันก็เลยยอมตัวเป็นแบบเดียวกันเดยงในร่า เห็นกันอยู่อย่างนี้เลยตางเ่านี้ยทำท่านเปลี่ยนแปลงที่ไหนจิตจใงของโลกเปลี่ยนแปลงต่างหากเพราะถูกย่อมอยู่ตลอดเวลาด้วยความไม่ดีทั้งหลายผู้ที่ ม, มาสอนโดยอดวิธรรมย่ อ, ยยอมในธรรมทั้งหลายด้วยความของด้วยความจริงด้วยของจริงที่รู้จริงเห็นจริงอย่างมันมีน้อยมากนี่มันจึงไม่ไม่ทันกับเรื่องของกิเลสที่มันมีมากแสนมากจิตใจันก็เอียงไปอย่างนั้น พอหมดนั้นไปแล้วก็แล้วจนที่ว่าจิในถามแดนโลกทาตนี่จิตผู้มีอุปนิสัยที่สมควรสมควรที่เป็นจังหวะจังหวะพอดีจับภูริยาองค์นั้นนที่จะมาตรัสรูกก็มีอยู่เหมือนกันนี่นะเป็นระดับดาชเช่นเดียวกับที่เป็นมาแล้วนี่นกกั่นพอที่ผ่า น, านมาได้ก็มาเขผ่านไปได้ผ่านไปได้เรื่อยเป็นจังหวะจังหวะนี่เคยเป็นมาแต่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรูกในโลกนี้ยิ่งว่าเป็นล้านล้านจะไม่เป็นล้านล้านยังไง ก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโลกมีมันมาตั้งแต่เมื่อไรใครกันหมดได้เมื่อไรวะนั่นหล่ะทำ ม, มีมาตั้งแต่นั้นเนี่ยเรื่ผู้ผู้ที่สอนทำก็ผู้อุบัติการทำทั้งหลายก็อุบัติขึ้นใหม่รู้ทำก็รู้มาอย่างนั้นมาตัดแตรู้ระยะนี้องค์นี้มาตัดแตรู้แล้วผ่านไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็เมื่อวานนี่มาตัดแรูองค์หนึ่งแล้ววันนี้ก็ับแต่ตรูรรแ้แต่รู้วันละองค์ละองค์อไปเรื่อยมันก็หลายองค์นี่เช่นปีหนึ่งก็สามร้อหกสิบห้าวันก็สามร้อยหกสิบ แล้วกี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันมันจะไปถึงล้านยังไงเดี๋ยเราเทียบนะอันนี้กี่กับกี่กันฟังสิกับหนึ่งกันหนึ่งมานานเท่าไหร่โลกนี้ตั้งมานานเท่าไหร่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาแต่ะัะรู้แต่ละครัง้งะครั้งนี้ถ่ายพอดกันมาไม่เคยหยุดมีมาอย่างนั้นเรื่อ ย, อยมามันจะอป ม, มากได้ยังไงต้องมากได้ใชผมนี่ยอมรับใครจะ่าโง่ก็งโง่เอาโง่ที่นี่โง่ไปเถอะไม่ยอมแก้่เอาแต่หนึ่ง กํบวกกันเป็นเท่าไหร่นะมันเป็นสองแล้วน่นเมื่อวานนี้องค์ห่งวันนี้องค์หและตลอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งกับไหนกันไหนทไมจะไม่ถึงน่อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านลก็มันมาไม่หยุดนี่นับไม่หยุดนี่นั่นสิมืมาถึงมาเข้าไปมันก็เป็นล้านๆนั่นสิท่านที่ว่าซุ้เทอตวีท่าจาวาจารสิกงทั้งถึงซ้ำบุเทนุตวะนุตระสตเตอตจตาริสัสสากิวิสติสตาสหัสสานมาวิสหังว่าจะว่าอะไร ก็เอาความจริงมาพูดนะเน่ะจอมปาต้องมีจำปาดยังมีอ่นะไม่ใช่จะหูหนวกตาบอดไปด้วยกันหมดในโลกอันี้ผู้ฉลาดยังมีผู้ดียังมีนี่ก็นวัตการพระเจ้าเท่านั้นพันเท่านี้หมื่นเท่านั้นแสนไปเรื่อยเท่านั้นพันเท่านั้นหมื่นเท่านั้นล้า น, เ ป, นเป็นพัพกกพบๆกระทบไปอย่างนั้นจริงๆ เพรว่า <im it> พุทธทางแสดงกระฉามีกระเทือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั่วแดนถ้าพูดถึงว่าแดนโลกธาตุทั่วแดนโลกธาตุเลย mit. ทำมังสวัสดิ์กระฉามีเหมือนกันกระเทือนสังฆังแสดงกระฉามีเหมือนกันพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มีภาษาวอกขนาดไหนและทําไม่เด่นพระพุทธเจ้าอุบัติได้อย่างไร น, นั่นทำของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์องค์ทำมังสัสดิระฉามีสังฆังแสงกระ า, ากรเทืนนอนหมดแต่ว่าแต่พระพุทธเจ้าเราปัจจุบันเลย นี่พอเราพูดอย่างนี้พูดทางสมาทางสังสนตภาพูดทางสมอทางคานสัสนตภารฉานกระเทอือนหมดเลยนี่เป็นหลักธรรมชาติมีการสถานที่เวลาไมาวเมื่อไหร่แล้วว่าเฉยๆการสถานที่เวลาก็่นาวนนไม่นั้นทําได้ไม่ได้ว่านี่ <c oughs> เป็นความจริงกลอเวลากระเทือนตลอดเวลาอยู่ภายในหัวใจนี่ <c oughs> เอางี้แล้วเป็นบ้าเลยพูดว่าเออเอาละพอ